บุ๊กทูแปดสิอดออีอดนตตการหนึ่งมีนาทศเวรเมเอดมีนาเเมเขียน S <S <S เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับตุอนพและเธอได้เขียนการา์ดหนึ่งใบอตานาพิชาเอด น, อน <S <S อาคาร์ติาาชกาอ่านา <ช>เขาได้อ่านมิยาานบบตยตา ส, สารหนึ่งฉบับโดยจิาเอนึงสปิสานและเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่มอตาอชตาอชอหน หยิบเซมาเซมาเขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวนโทยเซเดหนึ่งซ gara เเธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นตาเซเดหนึ่งชิ้น เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ทุเุยเบวเเขาขี้เกียจแต่เธอขยันทุุยเบตบ เขาจนแต่เธอรว ย, ยรเขาไม่มีเงินมีแต่นี่ เขาไม่มีโชคมีแต่โชคร้ายทุยนิมาเชสรกิทุกุมาเลรยนเทุกมาเลรเขาไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ล้มเหลวทุยเทุกุเนอุสเปทุยนิมาเชอุสเปกหทุกเนอุสเป เขาไม่เคยพอใจมีแต่ไม่พอใจทอทเเขาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ทอยนิเบเช่สเุกุบ่ริ เขาไม่เป็นมิตรกับใครมีแต่ไม่เป็นมิตร